ผู้ชายคนนึงอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญอ่างทองแกเลี้ยงเป็ดเนี่ยไม่ใช่แค่ 10-20 ตัวนะเลี้ยงลง 3,000 ตัวและทุกเช้าเนี่ยก็ต้องขนเป็ดเนี่ยนะไปที่ทุ่งนะเพราะนี่เป็นเป็ดไล่ทุ่งเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ว่าได้นะให้เด็กให้เป็ดเนี่ยได้อ่กิน อาหารที่มีตามธรรมชาติด้วยเพราะในบ่อน้ำนะมันมีสาใหญ่อยู่สาหนึ่งอยู่ไกลบ้านสักหน่อยนะก็ต้องขนเป็ดสา0พันตัวเนี่ยใส่เล้าขึ้นรถบนในรถนะแล้วก็เอามาปล่อยที่ทุ่งนะประมาณเจดโมงเช้าสี่โมงเย็นก็มาขนกลับ <c oughs> นะทั้งหมดนี้เนี่ยแกทำคนเดียวนะ ไม่มีลูกน้องไม่มีลูกมาช่วยนะลูกก็คงจะเข้าเมืองแล้วแกทำคนเดียวได้ไงนะเป็ดต้อง3 0 0พตัวเนี่ยแล้วแกก็ไม่มีหมาที่จะมาไล่ต้อนเหมือนกันในต่างประเทศด้วยนะแกทำได้เพราะแกฝึกนะฝึกเป็ดเนี่ย 3, ตัวเนี่ยให้มันเดินจากเล้ามาขึ้นรถ นะรถนี่ก็เป็นรถกระบะใหญ่นะมีคอกอยู่นะหลายชั้น 4-5 ห้าชั้นได้สามารถจะบรรจุเป็ดทั้ง 3,000 ันตัวได้ครบหมดเลยพอไปถึงทุ่งนะก็ปล่อยเป็ดไอ้ปล่อยเป็ดนั้ไม่ย า, ยากอยู่แล้วเนะพราะเป็ดมันก็อยากจะออกไปเที่ยวออกไปเล่นน้ำ แต่ตอนจะได้เวลาขนเป็ดกลับนิเสินะทำยังไงนะบอกว่าเป็ดนี่นะมันพากันเดินเรียงแถวนะเรียงหนึ่งนะออกจากขึ้นจากสระน้ำเนี่ยแล้วก็มาขึ้นค อ, อกเองเลยนะค อ, อกนี่อยู่บนรถใอ้การที่เป็ดนี่มันรู้เวลานะพอเห็นชายคนนี้เนะี่ยขับรถมาถึงตรงริมสระนี่ แดยก็จะพากันเดินเรียงหนึ่งเลยนะแล้วก็มาออกันอยู่ตรงบันไดเพื่อที่จะขึ้นรถแล้วเป็ดมันก็รู้นะตัวไหนเนี่ยอยู่คอกบนนะมันก็จะขึ้นก่อนแต่ตัวไหนเนี่ยอยู่คอกล่างมันก็จะรอจนกระทั่งพอถึงคิวของมันนะมันก็ค่อยๆนะขึ้นไปนะมันมีไม้พาดหลังรถเอาไว้ มันก็ขึ้นไปนะตามตายไปตามไม้พ่านเนี่ยแล้วก็เข้าคอของมันที่น่าทึ่งก็คือว่าเป็นมันรู้เวลาแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการบิดเบืบ้อติดออดนะเวลาจะต้องกลับเข้าเล้าทั้งที่มันก็ชอบนะอยู่เล่นน้ําเนี่ยในสระแต่ถึงเวลานิมนก็รู้หน้าที่เลยนะคงจะมีตัวพี่นะ หรืตัวหัวหน้าเนี่ยเดินนําหน้าก่อนไอ้ตัวที่เหลือก็ตามนะแล้วเรียงแถวนะเรียง1 น, นะตัวไหนมาถึงก่อนถ้ายังถ้าเป็นถ้าเป็นคอกถ้าตัวองรู้ว่าอยู่คอกล่างเนี่ยก็จะรอรอให้ตัวที่อยู่คอก บ, บนเนี่ยขึ้นไปก่อนพอคอก บ, บนเต็มแล้วนะก็ทันสองก็ค่อยขึ้นไป พอขอกชั้น2เต็มคอกชั้น3ก็เป็นคิวของเป็ดนะที่จะขึ้นคอกชั้น3พอคอกชั้น3เต็มนะเป็ดที่อยู่ขอกล่างก็ขึ้นตามไปขอกมีทั้งหมดประมาณ 3, 4ชั้นนะน่าึ่งมากนะเป็ดมันรู้หน้าที่แล้วก็รู้คิวด้วยนะแล้วก็มีความอดทนในการรอคอย นะก็ถามนะก็มีคนก็ถามว่านี่ทำยังไงแกก็บอกว่าฝึกมาตั้งแต่อายุ20วันจนกระทั่ง6เดือนนะไม่เคยใช้ไม้ไล่ตอนเลยมันรู้หน้าที่เห็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้เลยนะว่าสัตว์นี่มันฝึกได้นะแม้แต่การเข้าคิวการรอคอยคิวรอคอยจังหวะมันก็รู้หน้าที่ของมัน ก็ไม่ใช่แค่ฝึกตัวเดียวนะฝึกต้องสามพันตัวสัตว์นี่เป็นชีวิตที่ฝึกได้นะมันไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้หรือว่าเวนัยสัตว์นะถ้าเป็นนี่ก็ฝึกได้รวมทั้งชีวิตอื่นๆด้วยนะสัตว์อื่นๆมีผิวคนหนึ่งแกเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่เลี้ยงลิงเอาไว้นะในบ้านอย่างละตัวแล้วมันก็อยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีกันนะ แม้กระทั่งเวลาให้อาหารเจ้าของนี่ก็ให้อาหารแก่สัตว์ทีละตัวให้อาหารไก่ก่อนแล้วก็ให้อาหารหมาแล้วก็ให้อาหารลิงเพราว่ามันไม่แย่งกันเลยนะไอ้ตัวที่ยังไม่ได้อาหารก็คอยพอได้อาหารเสร็จมันก็ยังไม่กินนะต้องร้อยเพื่อนๆ เ, เนี่ยได้อาหารครบทั้งสามตัวก่อนจึงค่อยเริ่มกินแล้วเขาลองให้มันกินบนโต๊ะนะโต๊ะเนี่ย ไก่ก็ดีหมาก็ดีนะลิงก็ดีนั่งอยู่บนเก้าอี้เอาอาหารเอาจานอาหารวางไว้บนโต๊ะแล้วกนะ็ใส่อาหารลงไปในจานนะให้ไก่ก่อนแล้วก็ให้ลิงแล้วก็ให้หมาบกว่าทุกตัวนี่ไม่ตะกราตะกรามนะคอยนะคอยคอยจนกว่าเจ้านายเนี่ยหรือแม่นี่จะ ักอาหารให้เสร็จไม่กินของตัวแล้วก็ไม่แย่งของคนอื่นด้วยนะอันนี้เราดูแล้วเนี่ยโอ้ทำให้เห็นเลยนะว่าสัตว์เนี่ยมันฝึกได้และบางทีอาจจะมีระเบียบยิ่งกว่าคนก็ได้เพราะคนเนี่ยเวลาคอยเนี่ยนะบางทีทนไม่ไหวนะรัดคิวนะคนนี่รัดคิวเป็นประจำนะโดยเพพาะเมืองไทย แต่ว่าเป็ดนี่มันไม่รัดคิวเลยนะมันก็คอยเมื่อไหร่จะถึงคิวของมันเมื่อไม่ถึงคิวของมันมันก็คอยพอถึงคิวมันมันจึงค่อยขยับไก่ก็ดีลิงก็ดีหมาก็ดีมันก็คอยคิวของมันนะรอแม่ให้อาหารให้แล้วก็ยังคอยจนกว่าทุกคนทุกตัวจะได้ครบแล้วก็ถึงค่อยกินพร้อมกันถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วนี่มันน่าจะนอ กลับมามองย้อนตัวเองนะไม่ใช่เห็นนะเออสัตย์นี่มันชลาดมันฝึกได้เท่านั้นนะต้องกลับมามองที่ตัวเราเองเนียว่าเราก็ฝึกได้เหมือนกันแลวเราน่าจะฝึกได้ไม่ไม่ด้ไปกว่าสัตว์เหล่านี้นะเป็นมันยังมีวินัยเลยนะรูจังหวะรูหน้าที่แล้วคนนี่จะทำไม่ได้อย่างนั้นเชเลยรือเวลาเห็นภาพอย่างนี้เลยเนะี่ย อย่าได้แต่ออชื่นชมเป็ดนะชื่นชมสัตว์ว่ามันฉลาดกลับมามองตัวเราเองได้ปะแล้วเราทำอย่างนั้นได้ไหมอะไรทําให้เราทําอย่างนั้นไม่ได้อะไรทําให้เราไม่รู้จักคอยทำไมเราไม่มีระเบียบวินัยนะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราฝึกไม่ได้นะแต่เป็นว่าเราไม่ได้ฝึกหรือว่าเราถูกฝึกไปกทางนึงเราไม่ต้องร้อยใครมาฝึกเรานะเราฝึกตัวเราเองได้ให้มีวินัยหมีระเบียบให้รู้จักรอคอย แต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝึกกายประจังอย่างนี้นะฝึกใจก็ได้นะเวลาเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยให้มันนึกว่านึกมาดูว่าใจของเราเนี่ยมันฝึกได้บางครั้งใจของเราเนี่ยดูเหมือนว่ามันดือ้อมันพยศนะมันชอบคิดชอบฟุง้งชอบปรุงชอบแต่งชอบคิดลบคิดร้ายบางคนก็รู้สึกว่าใจฉันฝึกไม่ได้หรอกนะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้ว ถ้าเห็นพฤติกรรมของสตัตว์เหล่านี้เราก็จะรู้ว่าจริงๆเนี่ยใจเราฝึกได้แล้วคนที่ฉลาดนี่นะพอค่อยเห็นภาพอย่างนี้นะเขารู้เลยนะว่าเขาเกิดกําลังใจนะอย่างพระอราหันต์ในศาสพุทธการหลายท่านเนี่ยก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมนี่บางทีท่านก็ท้อบางทีท่านก็เบือ่อบางทีท่านก็ไม่ค่อยมีความเพียร น, นะแต่พอเห็นสตัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาฝึกได้นะไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นควาย อันนี้มันไม่ใช่แค่ช้างหรือควายนนี้มันเป็ดนะนะซึ่งสมองนี่นะ่าจะต่ำกว่าช้างหรือควายแต่ว่ามันก็ยังฝึกได้แล้วใจเราจะฝึกไม่ได้ช่วหรือถ้ามองนี้มองเป็นนะมันทาให้เกิดกบลังใจนะในการฝึกตนฝึกใจของตัวเราจะแพ้เป็ดได้อย่างไรนะเราต้องทให้ดีกว่าเป็ดนะฝึกอย่างนี้แหละนะพระ อรหันสมัยก่อนที่ท่านก็เรียนรู้จากสัตว์นี่แหละสัตว์ที่ฝึกได้ก็ทำให้ท่านเกิดกำลังใจในการที่จะฝึกตนฝึกใจของตัวและที่จริงนอกจากการฝึกตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนะที่มันช่วยให้เราเนี่ยมีนิสัยที่ดีได้เนี่ยการียนมิตรนยสำคัญนะเบ็เหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาจะฝึกทุกตัวนะ เขก็ฝึกบางตัวแหละฝึกตัวผู้พี่แล้วพี่มันก็สอนน้องหรือว่ามันก็ทําให้น้องดูนะตัวที่เกิดใหม่เนี่ยพอมาอยู่ในในเล้าในฝูงแบบนี้เนี่ยมันเห็นตัวอื่นทําออกนะกลับบ้านเป็นเวลารู้จักเข้าคิวมันรู้จักเรียนรู้นะมันก็เรียนรู้จากรุ่นพี่นะนะั่นแหละมันรู้เรียนรู้จากเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่ อ, พ อ, พ อ, อย่างนี้ มันก็เลยทำตามนะโดยที่เจ้านายไม่ต้องสอนแต่เขาสอนกันเองนะเป็นเราเนี่ยมีวินัยได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหมมิตรนะหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อมใจนะน้อมพฤติกรรมให้ทำอย่างนั้นคนเราก็เหมือนกันนะบางครั้งเรานอกจากฝึกใจด้วยตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ท่ามกลางกละยะนมิตรนะที่เขามีการฝึกฝนอบรมดีแล้ว มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยน้อมกายวาจาใจไปในทางนั้นได้ง่ายขึ้นนะนอกจากการฝึกตนแล้วเนี่ยการอยู่ในหมู่มิตรหรือว่าในท่ามกลารกายาณมิตรหรือชุมชนที่เกื้อกูลก็เป็นสิ่งที่จะช่วยในการฝึกให้ชีวิตเนี่ยเจริญ ง, งอก ง, งามได้เนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยมงคลข้อแรกคืออยากพบคนพานจะไปอยู่ท่ามกลางคนพาน ให้ควบบัณฑิตนะเสวนาจพารานังปันทิตานันจะเสวนาการไม่คบคนผ่านการควบบัณฑิตหรือว่าการอยู่แวดล้อมด้วยคนดีมันก็ช่วยกล่อมเกลาน้อมนำกายวาจาใจให้เป็นไปในทางที่เป็นกุศลดีงามได้